ยอมรับมันได้ไหมล่ะถ้ามันยอมรับได้ทุกหน้าตามความเป็นจริงแต่เราก็มีสติปัญญาได้แก้ไขาตามเหตุการณ์ไปอันนี้ถ้าเรายอมรับได้ทั้งหมดเนี่ยใจเราก็สิ้นทุกข์เรียกว่ายะถาภูตยญาณทัศนะเป็นประตูก้าวข้ามโลกไปสูพ่พระนิพพานคือยอมรับได้ตามความเป็นจริงคือมันมีอาการที่ถูกใจก็เอาไม่ถูกใจก็เอาเอาหมดทั้งนั้นแหละมันสุข ก, ก็เอาทุกข์ก็เอาเอามาัหมดเลย ไม่ผัดสายอะไรไม่ละเกียดอะไรไม่ยึดดูดอะไรเข้ามาไม่ดูดไม่ผัดไม่ดูดไม่ผัดทําได้ไหมไม่ดูดได้ผัดได้ไหมเออชอบไปนั่งสมาที่นิ่งๆไงโน้ตเออชอบไปทํานั่งสมาที่ทำใจนิ่งๆไงมันอย่างนี้ไม่พ้นทุกหรอกมันมันทุกตายจะชอบไปจับอารมณ์ที่สบายก็เห็นแล้วชอบไปจับอารมณ์ที่สบายอยู่ข้างในเนี้ยโน้นอ่ะอืม เดี๋ยนั่งจับอารมณ์ที่สบายสิมันสบายก็รู้อยู่อารมณ์มันเปลี่ยนไปยังไงก็รู้อยู่อารมณ์สมาธิระดับฌาน ย, ยังต้องเปลี่ยนเลยไม่ใช่ว่าเราไปนั่งจับมันได้แต่รู้มันอารมณ์สมาธิระดับฌานเป็นปิติสุชาสุชาชาบไปทั้งกายก็รู้อยู่สว่างสวัยบอบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบนบบบบบบบบบบบบบบบบบบไปเบลบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบใจตีตื้นบบบบบบบบใจ ก็รู้อยู่แค่รู้อ darum, nei, <c oughs> ยู่แต่อารมณ์ก็เปลี่ยนไปแต่ก็แค่รู้อยู่อารมณ์ก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวอารมณ์สุขมันสุขสูงสุดแล้วไม่ไปยังไงมันก็ดับไปเปลี่ยนไปเป็นอุเบกขามันจิตมันเหลือแต่จิตภายในที่สว่างสวัยเหมือนจระเขกบดานเงียบสงบสว่างอยู่ภายในเหมือนจระเข้กบดานก็แค่รู้อยู่อีกอะแค่อยู่แต่เงียบสงบสว่างเหมือนจระเขกบดานอยู่ภายในไงก็ตามมันก็ต้องเปลี่ยนไป เหมือนคนใส่เครื่องประดาน้ำเนี่ยแล้วกระโดดน้ำลงไปใต้ก้นทะเลลึกอะ่พะพอไอ่ถังออกซียจนมันหมดแกส๊สแล้วเนี่ยมันก็ต้องลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำไม่สามารถที่จะไปกบดานอยู่ใต้ท้องทะเลได้ตลอดไปหรอกเพราะว่าดีที่สุดสุขที่สุดปีติสุขอุเบกขาเลิศที่สุดจนถึงอรูณ ป, ประชนันก็เป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงสุขที่สุดยังไงก็ไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่อาจจะอยู่ในสภาพเดิมได้เป็นทุกข์ คนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราจะบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทําได้เองเดียวคือทําใจกับมันได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนี่ยทํา ใ, ใจกับมันได้ทําใจทําใจกับมันได้ไม่ใช่ว่าเราไปนั่งจับอารมณ์เดียวอยู่จับอารมณ์ที่มันเบาสบาย พอล้วมันกระทบหน่อยมันมีความทุกข์มีความไม่สบายใจสะเทือนในหัวใจเราก็อยากทําใจใเรานิ่งๆให้บางว่าไม่ให้มันสะเทือนไม่ให้มันกระเพื่อมเลยเข้าใจผิดนะเราบอกแล้วเนี่ยน้ําในแก้วบนโต๊เรามีน้ำต่าง่อย่างเนี่ยที่เขามากระเกดเราเนี่ยแล้วโดวยที่ใครไปโดนกระแทกโต๊ะนะมันก็ต้องกระเพื่อมบวเถือนขมันนะแต่ไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับมันเดี๋ยไอ้น้ําต่างๆเนี่ยมันก็กลับมาสงบของมันตัวตามเดิมมาแล้ว แต่เรายิ่งไปยามอ่ะพอมันก็เพิ่มหน่อยน้ําในแก้วในขวดอะไรมันก็เพิ่มหน่อยเราพยายามไปจับแก้วให้มันให้น้ํามันนิ่งๆเร็วๆเนี่โอ้โหแล้วไปไงยิ่งกระเพิ่มหนักเข้าไปอีกตอนนี้นยิง่งยิ่งนั่นใหญ่เลยยิ่งทุกข์หนักเข้าไปเลยเนี่ยอย่างเงี้อยอย่างท่านมาจับเงี้ยดูสิใช่ไหมน้ําในขวดน้ำอะไรมันก็กระเพิ่อมพอเราเห็นมันกระเพิ่มนะพอมีกระแทกอะไรมันกระทบในใจปุ๊บแล้วมันก็เพิ่มนะเรารียบไปทําให้อาการพวกนั้นมันหายไปเร็วๆนะก็เท่ากับว่ามันกระเพื่อมปุ๊บเราเรียบไปจ ให้มันแบบว่าให้น้ำมันิ่งเร็วๆให้น้ำมันนิ่งเร็วๆเรายิ่งจับให้น้ํามันนิ่งเร็วๆเป็นไงเออมันยิ่งกระเพื่อมจ่ายยิ่งทุกข์ใจเลยเนี่ยมันทุกข์แล้วอย่าไปยุ่งกับมันมันทุกข์แล้วเลยยุ่งกับมานคือทุกข์แล้วคือเอมีคนมีมีอะไรมากระทบพรมีเรื่องอะไรมากระทบมากระทบมันก็ต้องกระเพื่อมนี่เหตุปัจจัยเพราะมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใจของเราก็ชอบกระเพื่อมเราจะไปประคับประแใจไม่กระเพื่อมนะประคับประแจงใจมันนิ่งๆเฉยๆไปนิ่งๆเฉยๆไม่กระเพื่อม แต่เราเห็นว่าไอ้ที่ใจมนก็เพื่อมีอาการก็เพื่อมมันก็เหมือนกับเนี่ยน้ำบนโต๊ะของเราเนี่ยใครมาโดนโต๊ะมาจับอะไรหน่อยมันก็กระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมแต่กระเพื่อมแล้วเนี่ยไม่มีใครยุ่งกับมันน่ยไม่มีใครไปพยายามทํามันทำให้มันหายกระเพื่อมเดี๋ยวมันก็นิ่งของมันเองอ่ะมันก็กลับคืนสู่ความสงบของมันน่นดังเดิมนี่เป็นธรรมชาติแต่พอมันเริ่มกระเพื่อมหน่อยอ่ะเราโอ๊รีบไปช่วยให้มันอ่ะหายกระเพื่อมเร็วๆอย่างเงี้ยยิ่งไปทําให้มันกระเพื่อมมากก็ไปอีกเพราะเราเนี่ยแหละไปยุ่ เข้าใจสัจธรรมความจริงอันนี้ไหมถ้าเข้าใจสัจะทําความจริงอันนี้ได้มันสว่างมันว่างมันโล่งมันสบายไงก็ปล่อยวางมันไปเถอะจะไปยึดนั่นเข้าถึงใจที่ภาคมาหยุดพูดมาหยุดที่ไปรู้อ่ะใจที่จิตใจที่มันไปรู้อะไรจิตวิญญาณขันเนี่ยที่มันไปรู้อาการเหล่านั้นน่ยแล้วมันภักมาหยุดพูดมาหยุดเนี่ยตามองเห็นลงตาหูได้ยินเสียงลงตาแล้วข้างใมันพูดมาหยุดแข่้งกับลงตาไม่หยุดเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้เราสับแต่ไปรู้มันงสับแต่ไรู้ไอ้ตัวพวกพักพมาหยุดพูดมา เราอย่าไปสักตวบรลุอาการที่ถูกรู้ถ้าไปสักแต่บรลุไอ้ผู้รู้ที่มันภากมาหยุดพูดมาหยุดนี่นแน่เราจะพ้นจากมันได้หลุดพ้นได้หลุดพ้นจากตัวผู้พากมาหยุดบูดมาหยุดนน่เมื่อไม่มีตัวเราไปเสวยอะไรแล้วเนี่ยมันก็มีตัวไปเสวรยรูปเตียงกลิ่นลดสัมผัสอาการของใจเองเนี่ยมันก็เรียกว่าสักแตวรุรูปลดกลิ่นเตรียมสัมผัสสักตวบรรุอาการของใจเองแต่เราจะสักตวรรลุได้เรามันต้องมาเห็นในถึงจิตวิ ญ, ญญาณอาการเนี่ยเตรียมภากมาหยุดพูดมาหยุด เข้าใจยหมอือพูดเลยไหมอาไมพูดเลไหมอือยัอ ไ, ไ, มอยไม่ค่อยเห็นใ น, นุไม่ค่อยเห็นในตัวพังามาหยุดพูดมาหยุดเนี่ยมันไปจับแต่อาการใน่นุะตาเย็นจาชําไปหมดนะแช่อ๋อฟูดไก่ไมเอาอยากจะบ่นอะไรก็ได้บ่นมาเลยอ๋อฟูดไกไมดบ่นให้เราฟังหน่อยก็ได้บ่นในใจ เห็นนี่ไปจับแต่อาการไม่เห็นตัวบนตัวพูดอย่างนีน้ไม่ค่อยเห็นตัวบนตัวพูดเลยเราเนี่ยนั่งจับแต่อาการง่วงตาแช่ฉ่ำหมดบท น, นี่เราฟังก็ได้บทออกไม้อะบทอะไรนะปกติก็เป็นคนไม่ค่อยพูดอีกแล้วค่ะเออไม่แช่อยองไนค่ะเป็นแช่อาการแช่แช่แช่ำแช่สบายแล้วก็งุ่ยกินอาการที่ไม่สบายใจเราจะไปดูอาการที่ถูกรู้ที ให้เห็นเราเนี่ยพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเราอย่าไปดับไอ้ตัวที่พูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดนะให้เห็นเนี่ยตัวพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดเนี่ยเราเราก็ปล่อยวางมันไปคือเราอย่าไปยุ่งกับมันเมื่อไหร่เราเลิกยุ่งกับไอ้ตัวที่พูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดเนี่ยเนี่ยเราก็จะพ้นจากทุกข์ได้แต่นน่นเนี่ยมันไปไปไปอยู่แต่อาการที่สบายแล้วก็หงุดหงิดกับอาการที่ไม่สบายใจไปอยู่กับอาการที่สบายแล้วหงุดหงิดกับอาการที่ไม่สบายที่ไม่สบายใจทําอยู่แต่เงี้ยแค่เนี้ยยนนนนนนออูู่่่เเเเเีีี้้้้้รรรราาาห็ะะจจิิงงงไไไไมมพดดดถถกก จริงไหมสังเกตเห็นเหมือนกันค่ะเวลาฟังธรรมะของที่หลวงพ่อให้อ่ะค่ะมันอมันน่ามันไม่เห็นตัววุ่นวายอ่ะค่ะอืมันเราบอกแล้วมีเห็นตัววุ่นวายที่มันพูดได้บ่นได้วุ่นวายในใจไม่เห็นเราไมเห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรอ่ะไม่เห็นตัววุ่นวายวเรานั็นอะไรเห็นว่าตัวเองให้ใจอ่ะค่ะ เห็นอะไรเห็นแต่ลูกตาหรือว่าได้ยินแต่เสียงลูตาหรือว่าเห็นอะไรเห็นแต่อะไรในขณะปัจจุบันเห็นแต่ลูกตานั่งอยู่เห็นแต่ได้ยินแต่เสียงลูกตาพุทธรามาอยู่หรือว่าเห็นอะไรเห็นเห็นธรรมะของหลวงพ่อเป็นเป็นภาพอะค่ะเป็นความเข้าใจอ่ะค่ะคือเหมือนเราพอที่เราไม่ไม่ฟุ้งเพราะว่าเราคิดว่าเรามีสมาธิเพราะว่าเราเอาใจเราอะค่ะเรียนรู้กับสิ่งที่หลวงพ่อ กำลังจะบอกค่ะมันก็เลยไม่เห็นว่ามันวุ่นวายน่าจะเป็นเพราะว่าสมาธิที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าค่ะก็เลยคิดว่ามันเลยไม่วุ่นวายคือถ้าโดยปกติก็วุ่นวายค่ะตอนที่เวลาเราเป็นทุกข์อยู่ที่ที่ ท, ที่ตอนที่ที่หนูมีความทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าเราไปวุ่นวายอะค่ะแต่เราไม่รู้มันเลยทุกข์ บไอก้ตอนนี้เอาเอาตัวเราไปคิดธรรมะที่ลุงตาพูดอยู่แต่เราก็ไม่รู้มันไอ้ตัวนี้ที่เราบอกว่าเราไปทํางานเราทุกเราตัวเราบุ่นวายแต่เรื่องในงานเราไม่ทุกเราไม่เห็นก็ตอนเนี้หนูเอาตัวไปวุ่นวายกับเรื่องการคิดทำอยู่หรือฟังทำลุงตาอยู่เนี่ยแต่หนูเนี่ยเอาตัวหนูเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายกับการคิดทำเลยมองไม่เห็นว่าตัวเราในวุ่นวายเราเอาตัวเราไปทํางานตอนไม่มาหาลุงตาเนี่ยไปทํางานในทางโลก หนูก็เอาตัววุ่นวายทางานในทางโลกทั้งวันหนูรู้สึกว่างานมันวุ่นวายตอนเนี้พอมาหาหลวงตาอยู่นั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยหนูบอกว่าไม่วุ่นวายก็มีสมาธิคิดพิจารณาธรรมตามที่หลวงตาพูดอยู่แต่จริงๆเนี่ยหนูไม่ว่างจากงานเลยหนูเนี่ยตอนทำงานทางโลกหนูทำงานทางโลกไม่หยุดหนูไม่อยู่ตอนน้นหลวงตาหนูทํางานทางธรรมไม่หยุด หนไม่หยุดไม่เคยหยุดทำงานทางธรรมเลยตัวลงเมื่คือไม่ไม่เคยหยุดการทํางานเลยตอนไปอยู่ในโลกหนูก็ทํางานจนหนูต้องเป็นเครียดแล้วก็เป็นทุกข์แต่ตอนนี้หนูไม่มาอยู่กับหน้าดวงตาหนูก็ทํางานทางธรรมไม่หยุดทางธรรมไม่หยุดเลยหนูก็เอาตัวหนูไปคิดวิเคราะห์ตามที่ดวงตาพูดนูว่าหนูเป็นสมาธิอยู่กับการคิดทำและหนูไม่รู้สึกว่าหนูวุ่นวายแต่จริงๆอะนั่นแหละวุ่นวายกับการทํางานทางธรรม นูยังไม่เคยใจว่างจากงานเลยตอนนี้เอาใหม่ที่ลองทีจริงๆหนูไม่เคยเจออีกหน้ามันจะเกิดขึ้นลองว่างงานทีให้ใจมันว่างงานว่างจากงานทางโลกและว่างจากการทํางานทางธรรมว่างจากการคิดวิเคราะห์ทําตามที่ลงตาพูดสิประจุนาปัจจุบันนี้เลยให้ใจว่างงานว่างจากงานที่ยุ่งวุ่นวายเรื่องงานทางโลกโคิดเรื่องวุ่นวายทางโลกจนปวดหัวหนูก็คิดมามากแล้ว แล้วโดยโยงมาคิดทางทรรมไม่อย่าคิดวุ่นวายเกี่ยวเรื่องธรรมเรื่องวิเคราะห์หลงตาพูดว่าอย่างไงพยายามจะทำความเข้าใจตามไปหนูวางงานนี้ทั้งหมดเลยปลดเกษียณทางใจปลดเกษียณทางใจเดี๋ยวนี้ยปลดเกษียณทางใจให้ใจปลดเกษียณจากงานทางโลกและงานทางธรรมในปัจจุบันนี้เลยเลิกทำงานทางธรรมเลิกคิดเลิกวิเคราะห์เลิกวิจัยเลิกวิจารณ์เลิกทบทวนเลิกทำความเข้าใจเรื่องเรื่องทางธรรมเดี๋ยวนี้ ให้ใจมันว่าจากงานบ้างเถอาั้างชีวิตไม่เคยว่างจากงานเลยเลิกยุ่งกับงานทั้งโลกก็มาทํางานทั้งทำยุ่งวุ่นวายวิเคราะห์วิจารณวิจัยวิเคราะห์คิดพิจารณาตามเลยแม้แต่มาอยู่กับลุงตาแล้วเนี่ยลุงตาก็พูดให้ปล่อยวางปล่อยวางแต่เรากลับเอาตัวเราไปทํางานคิดพิจารณ า, นานอยู่เราบอกว่าเป็นสมาธิมากเลยมารู้สึกว่าไม่ยุ่งมุ่นวายแต่เราดูที่เนี่ยเราไม่เคยหยุดเลยไม่เค ย, ย, เ ย, <S <S ห, ยหยุดการทํางานเลยเพราะเราหยุดหยุดการทํางานทีเดี๋ยวเนี้แล้วหนูจะพบอีกอย่างหนึงว่า มั น, นมีหน้านี้ด้วยเหรอเราไม่เคยเจอทั้งชีวิตหน้าที่ใจไม่วุ่นวายในเรื่องโลกและไม่วุ่นวายในเรื่องธรรมอีกต่อไปเราไม่เคยเจออันนั้นแนนุบอกว่าเป็นสมาธิแต่จริงๆเป็นสมาธิในการทางานนะเป็นสมาธิในการทำงานเนระื่องโลกโลกกับเป็นสมาธิในการทำงานเรื่องการคิดค้นทำก็เป็นเรื่องโลกแต่เป็นการทำงานเรื่องธรรมคิดค้นธรรมแต่ก็เป็นเรื่องโลกคือ เป็นอะไรยังเป็นเรื่องโลกก็คือใจมันยังทํางานอยู่การทํางานเป็นเรื่องโลกอยู่ใจมันยังไม่ว่างจากงานที่ไปทํางานยังยุ่งอยู่ความยุ่งยุ่งยุ่งยุเป็นสังขารเขาเรียกโลกสังขารทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นสังขารธรรมหรือสังขารโลกเรียกว่าโลกมวลเรียกว่าปรุงแต่งสังขารไม่ได้ทําวิเคราะห์วิจารณวิจัยทบทวนหาเหตุผลทำความเข้าใจมันเป็นสังขารธรรมแต่เขาเรียกว่าเป็นสังขารโลกเพราะสังขารมันเป็นโลกกูเจ้าตัดว่าสังขารทั้งมวลเป็นโลกธรรเท่านั้นเนีะ คือใจสิ้นความปรุงแต่งจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมใจที่สิ้นปรุงแต่งหลวงตามหาบัวมีคําสอนอยู่บทหนึ่งจิตว่างงานนิพพานคือใจว่างงานหรือจิตว่างงานเนี่ยของหลวงตามหาบัวไม่อยู่ไม่อยู่ตอนนั้นไปดูหน่ยเคยเจอไหมนิพพานคือใจว่างงานเออนั่นไงปดกเกษียณปดกเกษียณปดกเกษียณทางใจใครมีอะไรนะ ยูทูบเนาะซดเข้าไปดิลงตามหาบัวนิพพานใจว่างงานเราดูดิมีจริงๆริงนะหลวงตาพูดแต่มีจริงๆเไม่ไ เ, เล่นเรายังไม่เคยเป็นเลยทางชีวิตตลกนั่นไงขณะนี้ไงที่ดูเป็นนี่ไนงะนี่ไะคือใจที่ว่างงานนี่คือทำแท้ที่หนูบอกว่าเป็นสมาธิ อันนี้นไม่ใช่สมาธิที่เป็นธรรมแท้เป็นสมาธิเรื่องโลกเอาไปคิดวิจัยเรื่องธรรมมันจะเป็นการทํางานตั้งธรรมอยู่เป็นสมาธิที่มาใช้ทํางานไม่ใช่สมาธิเพื่อความสิ้นยึดสิ้นการทํางานคือสิ้นปรุงแต่งสมาธิเพื่อความสิ้นความปรุงแต่งจึงจะเรียกว่าสมาธิมีสติเพื่อโลกนะทำงานทางโลกไม่ผิดพลาดกับสติเพื่อความสิ้นความปรุงแต่งสมาธิ เพื่อทำงานเพื่อใจการทำงานทางโลกสมาธิเพื่อใจการใช้คิดค้นทำกับสมาธิเพื่อค ว, วามสิน้นความปลุกแต่งปัญญาเพื่อใช้ปัญญาทำงานในทางโลกหาอยู่หากินเรียนรู้ทำความเข้าใจสังเกตสังกาจดจำวิเคราะห์วิจารณวิจัยยิ่งเป็นคนฉลาดเหนือคนและปัญญาในการคิดค้นทำฉลาดมากพูดได้มากทำความเข้าใจได้มากอ่านมากฟังมากวิเคราะห์วิจารณวิจัจยจดจำได้มาก ยิงฉลาดเนคนพูดได้มากแต่นั่นคือเป็นปัญญาในทางโลกจดจําได้มากพูดได้มากตก่ก้งคามตั้ใจได้มากแต่ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมคือสิ้นความหลงสังขารทั้งมวลพาตนให้พ้นจากสังขารทั้งมวลพ้นจากความปรุงแต่งทั้งมวลสิ้นความหลงปรุงแต่งแล้วก็พอสิ้นความหลงปรุงแต่งอ่ะก็จะเป็นธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริง ธีระปูมั่นพลิัตโตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่เก็ยนไว้ในขันทวิมุตสังคีธรรมว่าสิ้นสังขารก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงคือเนี่ยเป็นสติสมาธิปัญญาที่ในทางธรรมคือพาตนี่พ้นทุกข์พ้จากสังขารทั้งมวลก็พ้นทุกข์หายเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้เนีย่ยถึงจะหายเหนื่อยหนูไม่เคยเจอในทางชีวิต ทำมีแค okay. us ่นี nee? pues nee? tamam, ้แน่ใจที่ส kind of ิ้นหยุดสิ้นสังขารก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมีแต่สังขารสังขารสังขารปรุงแต่งคิดปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารวิจัยทั้งโลกเด็กก็สังการสังขารปรุงแต่งคิดวิจัยใจตั้งทำไม่หยุดเลยการชีวิตไม่เคยหยุดเลยไม่เคยว่างงานนี้เลยงานทั้งโลกงานวิเคราะห์ทั้งโลกงานวิเคราะห์ทั้งธรรมไม่เคยหยุด มานั่งต่อ้าตงตามแต่ตั้งแต่เช้ามาเราไม่ตายเห็นนะไม่เคยหยุดเลยบอกว่าไม่ทำงานทั้งโลกแล้วแต่มานั่งตรอห้าตาเนี่ยทํางานทา้งธรรมไม่หยุดวิเคราะห์วิจารณวิจัยทบทวนตามที่หนุนตาพูดไม่หยุดกลับมาทํางานทั้งธรรมอีกไม่เคยว่างงานเลยเป็นไงใจที่มันว่างงานแล้วมันดีกว่าไหมมันมันไม่มีความคาดหวังนะคะมันลอยลอยค่ะ เราจะเห็นว่าในนั้นไม่มีสมมุติบัญญตัติไม่มีคําสอนใดๆเลยไม่มีภาษาสมมติบัญญตัติทั้งภาษาโลกและภาษาธรรมไม่มีในนั้นไม่มีพระคัมภีร์ใจที่สิ้นความปพงแต่งไม่มีพระคัมภีร์ไม่มีสมมติบัญญัติอะไรเลยแต่มันรู้ได้ใยใจใครเป็นคนรู้หรอใจของตัวเองอ่ะรู้ใจของตัวเอ ง, รอ ง, เ, องเรียกว่าปัจจตัง ใจที่สิ้นความปรุงแต่งอะเป็นสุขในโลกเป็นความสงบในโลกเนือก็ความปรุงแต่งที่ทําให้เกิดความสุขความสงบในขั้นของสมถะกรรมฐานใจที่สิ้นความปรุงแต่งเนี่ยจึงเรียกว่าวิปัสนาเป็นความสงบในขั้นวิปัสนาญาณความสิ้นความปรุงแต่งสิ้นความปรุงแต่งก็สิ้นทุกข์สิ้นกิเลสเพราะฉนนั้นไม่มีสมุติอะไรเลย มันเป็นตัวของตัวมันโดยที่ไม่ต้องมีใครมายึดถือตัวมันเีงมันเป็นตัวของตัวมันได้ตัวมันเองโดยไม่มีใครต้องมายึดถือตัวมันให้มันเป็นไว้แต่มันคือตัวมันเองที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีใครต้องมายึดถือให้ตัวมันไม่ปรุงแต่งแต่กลายเป็นตัวใจเองหรือจิตเดิมแท้เองหรือพุทธะเองที่ไม่สิ้นความปรุงแต่งเป็นตัวของเขาเองโดยไม่ต้องมีใครมาช่วยเขาให้เขาสิ้นความปรุงแต่งแต่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ หรือว่าชาติดั้งเดิมแท้ๆเขาเองที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งและเป็นธรรมชาติที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์ไม่มีสมมติบัญญิไม่มีพระคำพีอะไรในนั้นเลยไม่มีภาษาโลกภาษาธรรมมันพีแต่รู้ได้ดยใจของเจ้าของ